ทีนี้เกี่ยวกับเรือกยามเนี่ยนะใครที่ถือถือเรือกคือยามว่าเออเนี่ยคนที่มีเกมียามอย่างนี้มีจริงไหมบอกว่าพระมหาบุรุษ ป, ปฏิสนธิในพระคันของพระพุทธมารดาตอนที่ปฏิสนธิในพระคันหนึ่งตอนที่ออกบวชนี่หนึ่งแสดงพระธรรมจักรอีกหนึ่งทำยะมะกะปาติหานี่อีกหนึ่งสี่ประการเนี้ยจะวันเดียวกันคือวันไหน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 ส่วนประสูตรัสรูและปรินิพานตอนคลอดตอนตรัสรูอริยสัจ ต, ตอนที่ดับขันทัปรินิพานในเรื่องเดียวกันก็คือวันเพ็ญเดือน6หมายถึงวิสาขะวันเพ็ญเดือน6สําหรับการประชุมพระอัครสาวกเนี่ยอขออภัยประชุมอริยาสาวกเรียกว่าสาวกสันิบาตและปลงอายุสังขารเนี่ยนะโดยเรื่เนี่ยคือมาฆาเรกหมายถึงวันเพ็ญเดือนส วันเพ็ญเดือนสามเป็นวันที่ประชุมสาวก อ, นนอาะนะอาหันตแต่สาวกทั้งหลายแล้วก็ปลงอายุสังขารเพื่อจะดับขันถ้ปปริณิพานนั้นเริกมาคะหมายถึงวันเพ็ญเดือนสามนั่นเองส่วนเสด็จลงจากเทวโลกโดยเริกอศาศยยุชะหมายถึงอะไรวันปวารณาออกพรรษาเนี่ยนะวันปวารณาออกพรรษาอันนี้คือว่าวาระหลากหลายนนะวาระที่มากลาย อันนี้เกี่ยวกับเรื่องถ้าใครเชื่อเรื่องอาจะตรวจดูดวงเนี่ยนะเขาก็มีบางท่านเขาบอกว่าสงสัยว่าคนที่มีดวงแบบเนี้มีจริงหรือก็ก็มีการตรวจดูดวงว่าเ อ, อบุคคลที่มีดวงแบบนี้เนี่ยสมควรแล้วที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นี่ก็เลยให้ดูเลิกไปเลยเนี่ยนะว่าใช่หรือไม่ก็ไปตรวจเอาแล้วกันแก่ตรวจคําสอนนี่ก็พอแล้วนะศึกษาคําสอนไปเถอะเนี่ยนะ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 ทีนี้หลังจากที่พระองค์ตรัสพยากรณ์ด้วยด้วยอนุภาพแห่งปุเพนิวาสานุสติยานประกาศพุทธวงศ์อย่างนี้แล้วพระองค์ก็เข้าพระคันธกุตีคือลูกจากอาสนะเข้าพระวิหารก็คือเข้าไปที่พักครั้งนั้นแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปแล้วไม่นานอันนี้ในข้อสิบหน้าแปดพระภิกษุเหล่านั้นได้สนทนากันขึ้นในระหว่างทางระหว่างนี้ว่า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 เขาเรียกว่าน่าอัศจรรย์กับไม่เคยมีมาพระตถาคตเนี่ยนะต้องทรงมีฤทธิ์มากพระองค์นั้นมีอนุภาพมากคือความรู้ความสามารถขนาดนี้นี่แหละจึงจะสามารถระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วถ้าไม่เก่งขนาดนี้นะแม่จะไประลึกได้ยังไงในพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วที่ปรินิพานไปแล้ว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 คือครอบงำกรรมได้หมดสิ้นแล้วนะพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยล่วงสับพุทุกทั้งปวงแล้วเพราะอะไรล่วงพ้นจากชาติชารามรณะหมดแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากสามารถพยากรพระพุทธเจ้าเหล่านั้นโดยพระชาติพระองค์ได้เกิดชาติอะไรมีโดยพระน า, นามมีชื่อว่าอย่างไรมีโคตรอย่างไร โดยปริมาณแห่งพระชนมายุเป็นอย่างไรคู่พระอัศกัณฐสาวกเป็นอย่างไรประชุมสาวกหรือว่าสาวกสันนิบาตเนี่ยเป็นอย่างไรเพนถ้าไม่มีความรู้ความสามารถขนาดระดับพระพุทธเจ้าจะเป็นไปได้อย่างไรนาะจึงจะสามารถเอามาพยากรณ์เอามาเล่าแบบนี้ได้ว่าเล่าว่ายังไงว่า แม้ด้วยเหตุแม้นีน้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยได้มีชาติเช่นนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นน่ะเหล่านั้นมีพระนามเช่นนี้แม้ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นได้มีพระโคดเช่นนี้แม้ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นจึงได้มีพระเศนเช่นนี้แม้ด้วยเหตุเหล่านี้หรือเหตุแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นเนี่ยมีธรรมะเช่นนี้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 สองในยามเที่ยงวันเนี่ยนะปราศจากเมฆหมอกไร้รากีสว่างเขเรียกว่ามีความชัดเจนที่สุดแล้วในบรรดาความสว่างไม่มีผิดมีพลาดสา ม, มารถระลึกได้อย่างหมายว่าเท่าที่พระองค์ประสงค์จะรู้เมื่อไหร่อย่างไรที่ไหนอย่างไรโดยไม่ติดไม่ขัดเลยนะเฉะนั้นพระองค์นี่สามารถกล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าเหมือนกับว่ายกอากาศเอามาพูดอย่างเช่นขณะนี้เนี่ยน ะ, ะถ้าถ้าความสามารถของพระพุทธเจ้าอย่าง ถ้าสมมติพระองค์มาประทับนั่งตรงนี้พระองค์จะเล่าเลยนะเมื่อสิบยี่สิบห้าสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านหลายหลาย้านปีหลายหหมื่นล้านปีหลายหลาร้อยล้านปีเนี่ยนะสถานที่ตรงนี้มีอะไรมาบ้างแล้วล้วงเอามาเล่าได้หมดเลยว่าระหว่างนั้นระหว่างนั้นมีอะไรเนี่ยนะหรือว่าสถานที่ตรงนี้เมื่อบริเวณตรงนี้นะเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่ากสปะมีอะไรเกิดขึ้น เมื่อสมัยพระพุทธเจ้ากากุสันทะนี่เกิดอุบัติขึ้นสถานที่ตรงนี้คืออะไรแล้วอันนี้เนี่ยเกี่ยกวกับเรื่องอดีตนะแล้วอดีตกลับทั้งหลายเนี่ยเยมื่อหลายๆกลับก่อนนั้นบริเวณนะั้ตำแหน่งจุดตรงนี้เคยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือสถานที่ตรงนี้เนี่ยนะอนาคตต่อไปอีกสิปีอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง10ิบยี่สิปีร้อยปีพันปีห 0,000 ื่นปีเศษปีล้านปีหลายๆล้านปีข้างหน้าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง ยกตัวอย่างถ้าแบบพันปีข้างหน้าพอง์บอกว่าณวันที่เท่านั้นพอศเท่านั้นวันเท่านั้นเวลาเท่านั้นจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างพระงเล่าได้เป๊ะหมดเลยแต่ถ้ามีประโยชน์ถ้าพระองค์ตรัสเล่าอย่างนี้เขาจะรู้อริยสัจองค์จะเล่าแต่ถ้าไม่รู้อริยสัจไม่เล่ า, า น, นพะพงจะเพราะอะไรเพราะพระองค์จะประกาศสิ่งใดก็ตามที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อความ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 เมื่อกลับที่แล้วเขาเป็นอะไรเมื่อแสนล้านกลับที่แล้วเนี่ยนะเมื่ออสงไขยที่แล้วเขาเป็นอะไรเมื่อหลายๆอสงไข่ที่แล้วบอกวันเดือนปีเกิดได้หมดว่างั้นแล้วมีรูปร่างผิวพรรณมีอายุสวยสุขส ว, ย ท, สวยทุกเป็นอย่างไรอย่างไรมองหน้าทุกคนปั๊บบอกได้หมดเลยเท่าที่พระองค์ประสงค์จะรู้แล้วบอกได้เลยว่าอนาคตต่อไปอีกเท่าไหร่อีกอสมมตนะิอีกชาติหน้าบุคคล น, นี้จะปรินิพานหรืออีกร้อยชาติพันชาติล้านชาติ หลายๆล้านแสนโกดชาติหลายๆกับหลายหแสนกับหลายหลาล้านล้านกลับหรือหลายๆอสงไขยอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรเนี่ยพยากรณ์พระพุทธเจ้าของเราว่าบุรุษผู้นี้นะอีกสี่อสงไขยแสนกับนับแต่บัดนี้นับแต่กับนี้นะเขาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็แปลว่าบอกได้เลยว่าเขาจะปรินิพานเมื่ อ, อไหร่แล้วรู้อะไรบ้างจึงจะปรินิพาน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 ควรละไม่ได้ตกใจตก อ, อกตกใจหรือดีใจตื่นเต้นไปกับเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้เลยพระองค์สามารถเอาเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้มาสอนวันนี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลนี้มีโทษนี้ไม่มีโทษนี้ควรเสพนี้ควรเจริญนี้ควรละนี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยถ้าทําอย่างนี้จะตรัสรู้ทุกขในรอปฏิบัติตามนี้บรร ล, ลุอริยมรรคแล้วพระองค์ก็สอนวันนี้สัทธะอนันี้สติปัญญานนสัมมปาปัญญาโดยอาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรง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 แปลว่าแทงตลอดสัพพัญยุตยานด้วยลำพังตัวเองเพราะเหตุที่พระตถาคตแทงตลอดธรรมธาตุธรรมธาตุตัวนั้นเป็นชื่อของสัพพัญยูสัพพัญยุตยานเนี่ยนะสัพพัญยุตยานเนี่ยเป็นธรรมธาตุในจํานวนธาตุสิองเนี่ยนะขอไปในจํานวนธาตุสิบแปดสัพพัญยุตยานเป็นธรรมธาตุพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยแทงตลอดธรรมธาตุ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 สัพพัยุตยานพระองค์ตรัสรู้แล้วนี่แหละสงสัยจะเป็นสัพพัญยุตยานอนุภาพของสัพพัญยุตยานแน่ทําให้พระพุทธเจ้าระสา ม, มารถระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วปรินี้ผ่านหมดแล้วตัดธรรมะเครื่องเนิ่นช้าได้แล้วตัดตัณหามาณนะทิฏฐิด้วย อ, อริยมรรคได้แล้วเนี่ยนะตัดความหมุนเวียนเรียกว่าตัดวัฏตะสงสารตัดชาติชารามรณะเสร็จสิ้นแล้ว ครอบงามชาติชรามรณะเสร็จสิ้นแล้วล่วงพ้นชาติชรามรณะเป็นต้นได้แล้วสามารถยกเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นว่าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมีชาติอย่างนั้นมีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีอายุเท่านั้นคู่อัคราสาวกซ้ายขวาเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมีการประชุมอรหันตสาวกอย่างนั้นอย่างนั้น